เอ้เมื่อเช้าเห็นโรงแรมอะไรเชนทาร่าเหรอ อ, ออุดรใช่มาสามสิบกว่าคนม่ลูกหลานเออโอ้ดีเป็นการทัศนศึกษาพาลูกน้องบริวารมาเปลี่ยนบรรยากาศเ <c oughs> นี่ยขึ้นไปกลับไปกลับพระภูกอนด้วย <c oughs> มาใกล้นะ่ะ ภูกร์สวยงามนะถ้าใครมาถึงเมืองอุดอรแล้วไม่ได้มากราบพระพระนอนภูกอนแปลว่ามายังไม่ถึงเมืองอุดอร <c oughs> ขึ้นไปดูซิออ <c oughs> พระภูก้์เนี่ยพระหินอ่อนนะหินมาจากประเทศอิตาลีไว้เคราราเนี่ยนะเป็นหินขาว ดูแลสวยงามเนี่ยเขาแกะโดยความพิถีพิถันหาดูระยกเป็นพระหินอ่อนแต่ตามไม่จริงการกราบพระเรากราบที่ไหนก็ได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าถ้าหาว่ามากราบถึงสถานที่ก็เราได้เห็น รูปของรูปของพระพุทธรูปด้วยเราก็จะได้ลำาลึกถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหมือนอย่างพวกเราอยู่เมืองไทยกราบพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเสร็จแล้วบางคนก็ไปกราบถึงประเทศอินเดียไปกราบสังเวช ท, ทนัยทนยษจสถานสี่แหง่ง ปฏิ ส, สูตรตรู้แสดงธรรมาจากรปรินิพานพอไปเห็น้วก็พระพุทธเจ้ามีจริงเป็นที่เกิดที่ปริสถานของพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาในจิตใจคือความเชื่อมั่นในจิตใจขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งอันนั้นคล้ายกับ ผู้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างะแต่ถ้าว่าผู้ที่เชื่อไม่จำเป็นจะต้องไปกราบถึงประเทศอินเดียกราบที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดทาไมจึงจึงเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นความเชื่อมั่นในจุดนี้ก็คือเราได้ศึกษาอันดับแรกเราได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนเป็นยังไงได้ตัสรู้ทำอะไร ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเรื่องอะไรที่ได้ตัดสรู้นั้นท่านตัดสรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาลบวิชาทหารวิชากฎหมายวิชาคณิตศาสตร์วิชากเกษตรศาสตร์มันหลายวิชาในโลกนี่นะแต่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรท่านได้ตัดสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือตัดสู้เรื่องจิตวิญญาณฮะแต่ในเรื่องจิตวิญญาณพวกที่มีศรัทธาฟังเอ๊ะจิตวิญญาณท่านจะศึกษาอย่างไงคําว่าจิตวิญญาณเนี่ยเพราะว่าวิชามันจะให้เหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมวิชาทหารจะไปเอาเสียงไปปลูกต้นไม้มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่อง ของวิชาทหารฮใช่วิชาทหารมก็ไปปลูกต้นไม้็จริงอยู่แต่ส่วนหนึ่งแต่หัวใจในการเป็นวิชาต่างกันอย่างกฎหมายก็เหมือนกันใช่จะไปเรียนกฎหมายจะมาปลูกต้นไม้มก็ใช่ปลูกต้นไม้มันก็มีส่วนหนึ่งในกฎหมายมันก็มีกฎเรื่องต้นไม้แต่ไม่ใช่หัวใจของกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะเรียนจิตตวิญญาณจิตตวิชานะ เราจะเรียนอย่างไรเนะนี่ยแหละอันนี้ก็คือผู้ที่เรียนตั้งใจเรียนก็จะพร้อมเกิดจัตตาเท่านั้นเองพอเกิดจัตต า, นะาขึ้นมาในจิตใจเท่านั้นแนหะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรตัดสู้เรื่องจิตวิญญาณศึกษาเรื่องจิตวิญญาณจิตใจศึกษาเรื่องของใจนะ พอท่านั้นเราก็ศึกษาเลยท่านศึกษาท่านบอกว่ายังไงแต่เมื่อท่านบอกว่าท่านศึกษาให้ท่านบอกว่ายอย่างนี้ท่านแสดงธรรมหรือว่าตรัสไว้อย่างนี้คำคำสอนของท่านท่านสอนอย่างนี้จากนั้นก็รอนํามาปฏิบัติพอนํามาปฏิบัติเท่านั้นล่ะเราก็รู้ในใจของเราโอ้โชาติทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริง เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกราบถึงประเทศอินเดียนะเพราะอะไรเพราะเราเรียนศึกษาในประเทศไทยนะี่ก็รู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะรู้แจง้งเห็นจริงได้นะเราไม่จําเป็นจะต้องไปถึงประเทศอินเดียนะลูกหลานผู้ใดเสียงดังขึ้นมาเอาออกไปข้างนอกนะลูกหลานนะ พอสถานที่สถานที่ฟังลูกหลานผู้ใดยังเล็กอยู่เอาออกไปข้างนอกก่อนพอมันยังตัวเล็กใหญ่ขึ้นมาค่อยออกมาฟัง <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่29กันยายนพุทธศักราช2558ัวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเห็นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลาน เซ็นทาราอุดรโรงแรมใหญ่ของเมืองอุดรที่มาพาลูกหลานมาทมําบุญหลวงพ่ อ, พอปาราลบเกี่ยวกับทัศนศึกษาเบื้องต้นนะพาลูกหลานลูกน้องบริวารแต่ที่ยังไงก็ตามนะลูกหลานที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นทรัพยากรของชาติพวกเราจะทำอะไรจะพุกสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินคืออะไรทําแบบ อยากจะรวยเร็วๆเล่นการพนงค์เล่นการพ น, น, นันเล่นบงเล่นบอนเล่นไพ่เล่นโป้ลักษณะอย่างนั้นนะออบายมุกเป็นขนทางแห่งความจิบหายในหลักทำคำําสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราไปทําอย่างนั้นเข้ามาเข้าไปแล้วนะ่ะอล่อแหลมตอกล่อแหลมต่อขนทางแห่งความจิบหายให้งด ในอบายามอากอกะว่าอบายมกมุกขเนี่ยแปลว่าจิบหายอยู่ซึ่งปากอาทําสมมุติว่าเราไปเล่นโบกเล่นไพ่เล่นโบกฮมีคู่กับขี้ใช่ไหมคู่กับขี้ถ้าเราทายผิด เ, เราก็าคู่แต่มันออกขีเ้เราก็จิบหายและจะเนยจ่ายเงินให้เขาเพราเราทายผิดเนี่ย เพราะนั้นท่านยังว่าจีหายซึ่งหน้าซึ่งปากมุขะอบายมุกมุขะคือปากถ้าทําลายผิดเท่านั้นแหละจีพายเลยเพราะนั้นท่านบอกว่าอย่าไปมั่วสมเล่นในการพนันอบายมุกเหตุเครื่องจิบหายเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนัน พบคนชั่วเป็นมิรเกียริค้านทำการงานอันนี้เป็นหนทางแห่งความชิบหายในการแสวงหาทรัพย์ผู้ที่แสวงหาทรัพย์นงดเว้นจากการการอบายมุขเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันรบคนชั่วเป็นมิรเกียริค้านทำการงานอันนี้ก็คือ เที่ยวกลางคืนเน่ยเที่ยวเตยไม่รู้จักที่จุดที่หมายไม่รับผิดชอบในชีวิตได้ทรัพย์สินของตนเองเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเสียงสนั่นฟันไหวที่ไหนก็ไปดูไม่รู้จักรับผิดชอบเล่นการพนันหลาหลายหลาย ห, ายหายอย่างแล้วก็คบคุชั่วคบคนชั่วกั ค, บควคบพวกขายยาบ้ายา마กัญชายาฝิ่นมากมายพวก ดืมที่ไหนอะไรที่ไหนก็ไปกับเขาเนีน่ยนะเป็นหนทางแห่งความชิบหายเหมือนกันกบุนชั่วเปริดดื่มน้ําเมาเกียร์ค้านทําการงานเกียร์ค้านทําการงานเา น, าานี่ยเจ๋งอยู่แลนอนตื่นเช็ดสายไม่รู้จักรับผิดชอบการงานเราอยู่ในสถานะไหนเราควรทําอย่างไรไม่รู้จักสถานะของตัวเองไม่รู้จักเรื่องของตัวเองขี้เกียจ ขี้เกียจลังยาวแต่กินทุกวันใช้ทุกวันกินทุกวันแต่ขี้เกียจนะอันนี้นใช้ไม่ได้นะลูกหลานนะเพราะนั้นพวกในฐานะลูกหลานท้งหลายอยู่ในสถานนะทางานอย่างนีนะ้ก็รู้อยู่แล้วงานของเรามีจํากัดเดือนละเท่าไหร่เราควรจะมีวิธย ใ, ในการใช้เงินให้พอรู้จักหาแล้วก็ให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ หาเราก็รู้ว่าหาอย่างไงการหาเงินเราทํำยังไงถ้ามันน้อยเกินไปเราจะหาอะไรเสริมไหม เ, เราไม่ควรจะทํางานกินแต่เงินเดือนเราก็ควรจะทำมาทํางานเสริมขายกาโพงกาแฟทําทอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่อย่าไปทําความชั่วเท่านั้นชั่วทำผิดจริยธรรมอันนั้นอย่าทํา ถ้าวธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วนะ ท, ทําไปเถอะได้มาแล้วเขาไม่ได้ถามเงินคุณไปลือ้อช่วมหรือหนองมาใช่ไหมเขาไม่ได้ถามเอามาใช้ใหญ่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญให้เราขยันการส่อแหวงหาทรัพย์ในเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วให้รักษาให้รักษาไว้อย่าไปใช้สู่ลชุลัย ให้วางแผนในการใช้สมมติว่าเราได้เดือนละเมินเดือนละหมื่นเอาเถอะเราจะใช้เดือนละส0 0พันพอไหมหรือเดือนละห0 0พันอีกห้าพันเราเก็บไว้เราเข้าโยนโดนเข้าธนาคารไม่ต้องสนใจแล้วไปวโยนทิ้งแล้วหพันอยู่ในบัญชีถ้าสองเดือนขึ้นมาก็เป็นเงินหมื่นขึ้นมา ถ้าเป็นสามเดือนก็หมื่นห้านอยู่ในธนาคารพอหลายเดือนเข้าไปหาเงินส่วนเกินเข้าไปอีกสะสมเข้าไปอีกพราะในสุดท้างเป็นเงินก้อนขึ้นมาชีวิตของเราก็อุ่นใจนะท่านนีอถ้ามีเงินล้านขึ้นมาในบัญชีเราอุ่นใจนะเราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรเราก็พร้อมที่จะหมุนตัวได้เพราะเหตุไรเพราะการเก็บหอมหลอมริบทีละน้อยละน้อย ไม่ใช่ว่าเราได้มาเท่าไรเราก็ใช้จนหมดไม่รู้จักเก็บเเลยเอออันนั้นแปลว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมากันคิดถึงบ้านทั้งที่ตัวเองไปหาเงินไปอยู่หาเงินเพราะในส่คนนั้นมาหาบ้านหาบ้านไม่มีเงินจะขายที่ดินที่ไล่ที่นาที่รั้วที่สวนของพ่อของแม่อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ รู้จักการเสาะแสวงหาทรัพย์นี่แหละ <Okay. S 1> ถ้าจะว่าไปคืออะไรหลวงพ่อจะว่าเป็นประเภทโง่นะไม่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่หลวงพ่อเรียกนะแต่ใครๆก็ไม่อยากจะฟังคํำนี่ว่าโง่เนะี่ยใครๆจะจะเป็นคนฉลาดทั้งนั้นแต่วิธีการทำนะมันบอกยี่ห้อฮะแปลว่าเอาตัวไม่รอดทั้งที่ขาสองแขนสองสมองหนึ่งของเรามีอยู่แล้วทําไมเราจึงไม่รู้จัก การสะแสวงหาทําไมเราไม่รู้จักเก็บเราทําไมลืมไม่รู้จักใช้ใช้ก็ใช้เกินตัวสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ลูกหลานรุ่นใหม่ทั้งหลายแหละหัวพัฒนาทั้งหลายแหละเพราะพวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนอยู่แล้วควรจะคิดนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหาก็ให้รู้จักหาและให้รู้จักเก็บก็ให้รู้จักใช้ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราว่าเงินของเราเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่เรารู้แก่ใจว่าเดือนละเท่าไหร่เราจะใช้อย่างไงในเงินเดือนนี้ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ใชนเก็บไว้เลยใช้มาทำไมนไม่ใช่ว่าเราจะไปอวดเศรษฐีให้คนทั้งที่เป็นขี้ทุกจะไปอวดเศรษฐีได้ยังไงแล้วต้องเก็บนะพอเก็บไปแล้วก่นนะั้นทาเงินเป็นก้อนขึ้นมาเราก็จะภาคภูมิใจ อย่างหลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยนรุกลานนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนสูงส่งที่ไหนนะเรียนมาจากพระมาจากป่ากรรมฐานนะอยู่ภูผาป่าไม้ต่างหากการศึกษาของหลวงพ่อพูดได้เล ย, เลยไม่ได้อายใครหลวงพ่อจบป .4 นะเลย อ, อ่านอ่านก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างแต่แล้วก็มาอยู่เป็นพระกรรมฐานมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอย่างที่ที่ว่านะเรื่องของใจ วิชาทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดที่เราเรียนวิชาต่างๆที่เราเรียนไปนะั่นคื อ, อคบ เ, อเงาของเงาของอของเรื่องเรื่องราวต่างๆวิชาในโลกเนี่ยที่หลวงพ่อเปรียบเทียบก็เหมือนสายไฟสายไฟฉายพอฉายไ ฟ, ายายไฟสายไปเห็นช้างก็เรียน เรื่องของช้างไปเห็นม้าก็เรียนเรื่องของม้าไปเห็นสัตว์ก็เรียนเรื่องของสัตว์ไปเห็นต้นไม้ก็เรียนเรื่องของเกษตรเออจากนั้นก็ไปเห็นคนก็เรียนเรื่องของคนเรื่องกฎและเบียบเรื่องอะไรวากันไปแต่นี่ยมากมายแตนอันนั้นก็คือเราส่งส่องไฟฉายไปไปเห็นคือส่งใจไปเห็นจากนั้นก็เรียนวิชาคนหนึ่งคิดได้เรียนวิชาของความคิดของคนนั้นตำราเริ่มนั้น เขาพูดทุกแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้วิชาจุดนั้นมา <c oughs> เขาต้องมีประสบสประการณ์ซะก่อนเขาต้องทําซะก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาคิดฝันไปแล้วก็เขียนตําราไม่ใช่นะอจงพูดว่าเขาจะเรียนเรื่องข้าวเขาก็ต้องทําเขาลงมือทํางานเรื่องข้าวซะ ก, ก่อนพอทําข้าวเสร็จแล้วจะไห น, นเขาปลูกยังไงเขาทํำยังไงเออ เขาที่ไม่ได้เนี่ยปีนี้ไม่ได้ปีต่อไปทําอีกใส่ปุ๋ยยังไงไถอะไรยังได้ข้าวขึ้นมาเออปีนี้ไม่ได้อีกเอ้าพัฒนาไปเรื่อยๆ เ, ออเขาก็เขียนตําราเลยเเมื่อเขาได้สูงสุดเเขาก็วับเนี่ยเขาเขียนได้สูงสุดช่วงนี้ได้ขนาดนี้เขาก็เขียนตําราตั้งแต่นู้นตั้งแต่ทำไร่ทำนาตั้งแต่ไถไร่ไถานาตั้งแต่ ปลูกต้นไม้ตั้งแต่ใส่ตั้งแต่หว่านข้าวตั้งแต่ใส่ปุ๋ยอนะ่างๆเขาเขียนตำราขึ้นมาพวกเราเกิดมาทีหลังมาเรียนตำราของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดก่อนเขาทำก่อนนี่แหละตำราน่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะประสบประการของเขาซะก่อนจึงเป็นตำราขึ้นมานะอย่างปูนซีเมนเหมือนกันผสมตึกร้านบ้านช่อง เ, เขาทำยังไงก่อนที่เขาจะทำ จำนวนยังไงเขาจึงทําขึ้นมาเขาก็เขียนเป็นตําราขึ้นมาอีกพอเขียนตําราเราก็อ่านตามตําราของเขาผสมผสมปูนฮนะปอร์ทแลนด์นะเออหนึ่งสองสมนะหนึ่งคืออะไรคือปูนสองคืออะไรคือเออคือทรายหินสมคืออะไรคือหินหนึ่งสองสามผสมก็เถอะนี่แหละสูตรเออสูตรนี่คือสูตรเออมาตรฐานอ่า ไม่แข็งและไม่อ่อนอข้นไปทางแข็งเนี่ยอันนี้อะไรเกีว่าสูตรมาตรฐานก่อนที่เขาจะได้สูตรนี้มาเขาก็ทํามาก่อนเหมือนกันนี่แหละวิชาในโลกนี่โดยมากมิแต่เรียนมาก่อนมาศึกษามาก่อนประสบะการณ์มาก่อนจึงเขียนเป็นตําราเนะี่ยตรามันเกิดมาจากหลังจากประสบะการณนะ์ทุกวิชาเพราะฉะนั้นพวกเราเขาไปเรียนวิชาประสบะการณ์ของกลุ่มนั้นมางกลุ่มนี่ามากมายเลยท่าน แต่วิชาก่อนที่จะมาเกิดขึ้นมาได้นะในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกออกมาจากใจใจคิดก่อนมันจงออกเป็นวิชาเหล่านั้น น, ะนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยจะเรียนเรียนหลวงพ่อของพวกเราทาั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อเรียนเรียนหลักวิชาจะามันกอนที่มันจะออกไปให้พวกเราทีเรียนได้ศึกษาออกไปจากใจเนะีย่ยว่ามนโนปุพังคขมาธรรมามนโนเศรษามนโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้แนวความคิดให้ทั้งหมดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อได้เรียนเรียนมาจุดนี้แล้วลูกหลานนะพอเรียนจุดนี้หลวงพ่อมาเล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ยนหะลวงพ่อจึงรู้ได้ว่าการเป็นอยู่ของพวกเราดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้อง จึงจะเหมาะสมจึงจะไปได้ดีอถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลายเดินผิดที่ผิดทางนะอยากจะรวยทางรัดขายยาบ้ายามาเอผลให้สุดนะติดคุกติดตรางอทําที่แรกกับว่าตัวเองฉลาดนะใครจับไม่ได้ขายหลายครั้งต่อหลายหนเขาก็จับตามองอยูอ่ว่าเป็นผู้ฉลาดนะแต่พอเขาจับได้แล้วมองหน้าใครก็ไม่ได้เห็นไหม ลูกหลานเห็นนักโทษไหมเออพอเขาจับได้พิ่ตะโกมน้าทุกคนเลยเออที่แรกก็ว่าตัวเองเก่งเลยนี่แหละถ้าเราก็เหมือนกันถ้าเราทําไม่ดีมันก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเอเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการสาะแสวงหาทรัพย์ให้รู้จักหาพอหาด้วยความหมั่นควางพยานแล้วให้รู้จักเก็บเนีย ให้ใครอยากจะไปใช้ชั่วลุยชั่วลายก็ให้รู้จักใช้ในเมื่อรู้จักใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่คนบางคนขยันในการหาขยันมากการหาแต่ไม่รู้จักเก็บถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราขยันตักน้ำํำไปขยันตักน้ําไม่ใช้ตุ่มตุ่มตุ่มก้นรั่วทุกคนมันรั่ว แต่เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจแต่ขยันตักมาใส่ถ้ามาตักมาใส่ตุ่มก้นรั่วมันจะอยู่ได้อย่างไงใช่ไหมละ่ะตุ่มมันก้นรั่วเออมันจะเต็มตุ่มได้อย่างไงเพราะมันก้นมันรั่วแต่นี่เรากลเมื่อตักขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ต้องปิดก้นรั่วซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปสสแสวงหามันขยันเอามาแต่ตัวเองใช้ไม่รู้จักประมาณใช้อลูดลูดชุยแชกเหมือนกับตุ่มก้นรั่วนะ เมื่อตุ่มก้นรั่วแล้วจะเป็นยังไงอขยันขนาดนี้ยขยันเถอะตักขยนันตักน้ํามาใส่ตุ่มก้นรั่วมันไม่เต็มหรอกเอมันไปเต็มตื่นขึ้นมา เ, เพราะนั้นในลูกหลานทั้งหลายตัวตราดูตนเองว่าการใช้ของเราเนี่ยเกิดประโยชน์ไหมเกินแต่ละบาทแต่ละสะตังค์เนี่ย เ, เกิดไปเอาไปใช้อะไรถ้าไม่จําเป็นเราอยาไปใช้มันอโทรสน์โทรรั์เหมือนกันอราคาพวงพองเพิ่งแพงเ เราใช้ยังไงก็ได้เพราะเราอยู่ในสถานะของเราของเรานะเรอให้รู้จักสถานะของตัวเองมองตนเองไม่หยุดเสมออย่าลืมตัวอย่าลืมเจ้าของว่าขาเป็นข้าเป็นใครเนะนี่ยหลวงตาของพวกเราทูเจ้าทั้งหลายเนะี่ยหลวงตาไม่เคยไม่เคยลืมตัวนะลูกหลานนะอไม่เคยลืมตัวถึงยังมียังไงมาหลวงตาก็ไม่เคยลืมรู้จักกรรมพืชของตนเองมาตลอดเราควรจะวางตัวยังไงควรจะไปฏไิบัติตนอย่างไร จึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสมในการดําเนินชีวิตของเราเนี่แหละใ ห, ให้พระพาลูกพาหลานลูกหลานของหลวงพ่อทุกองค์เหมือนกันเมื่อจะไปเป็นคราวญก็ต้องมองดูตนเองอย่าไปลืมตัวเองถ้าพวกเราอยู่ในะสถานที่ใดไม่ลืมตัวเองนะั้นอ่ะไม่ทุกข์ไม่จนนะลูกหลานนะมันขยันเข้าไปอีกเสริมเข้าไปอีก พอทรัพยากรของประเทศชาติชาติไทยของเรามีมากดินฟ้าอากาศก็พอเป็นพอไปอาหารอาหารการบริโภคก็เป็นไปผลผลิตทางเกษตรก็เป็นไปไม่เหมือนต่างประเทศเขาประเทศเขาบางทีมีแต่ทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาฝนก็ไม่ตกอีกต่างหากแล้วก็คนจิจูกินอย่างไร แต่ทรัพยากรถ้าว่าพื้นแผ่นดินเขาไม่มีน้ํามันอยู่ในพื้นแผ่นดินเขาก็อยู่ด้วยความลําบากเหมือนกันแต่นี้เมืองไทยของเรานี่สมบูรณ์ในการปลูกฝังเกษตรกรรมของเราสมบูรณ์แต่ให้พวกเราขยันท่านเองให้รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักประหยัดเท่านั้นแหละเศรษฐกิจพอเพียงเองไม่ต้องหาที่อื่นนะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานลูกพ่อเองเห็นลูกเห็นลูกหลานกําลัง ไว้เจริญเลยไม่ควรจะหนักไปทางการพนันหนักไปทางยาเสพติดสิ่งที่มันเสียหายอบายยมุกทั้งหลายไม่ควรจะไม่ควรจะดําเนินควรจะตั้งตนให้ไว้ให้ชอบเป็นคนดีสรุปแล้วตั้งใจทําการทํางานในเมื่อบริษัททางร้านเขามอบหน้าที่มอบหมายการงานให้ให้เราทําเรื่องอะไร ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความสนใจแล้วก็ถ้ากิจการงานมันไปได้ดีเราก็ได้ดีถ้าลงแหลมของเราหรือว่ากิจการงานของเราเจ๊งแหลมไม่เจ๊งแหลมเราจะได้เงินเดือนมาจากไหนเพราะเะไรเพราะต่างคนต่างไม่ตั้งใจทำงานถ้าพวกเราตั้งใจทำงานบริษัททางร้านของเราเจริญมีฐานะมั่นคงขึ้นไป เ, เราคนเงินเดือนของเราก็สูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนกัน เพราะนั้นเราอยู่ยนัตสัตยานที่ไดต้องเชื่ช่วยกันเกื้อกูลอุดหนุนกันอย่างวัดวาศาสนาคงเหมือนกันแต่เรามาอยู่บวชเป็นพระมาอยู่ในวัดถ้าเราทำตัวไม่ดีถ้าวัดกิติทรัพท์ชื่อเสียงของวัดเสียหายวัดของเราอยู่อยู่ได้อย่างไรแล้วอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีใครมาไม่มีใครสนใจแต่ถา้าวัดของเรา รักษากฎระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหลักพระธรรมวินัยใครเห็นก็นาคเคารพนับถือเรื่องใสมาเห็นพระเณรของเราก็อยู่ในกฎระเบียบการพูดออกไปมีแต่ศีลแธรรมใครๆก็อยากจะได้บุญอยากจะมาทําบุญเพราะเหตุไรเพราะว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมเณรเป็นผู้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละ เราไม่ต้องหาที่อื่นเราทําตัวให้ดีเท่านั้นละ่ะดีเองถ้าเราทําตัวให้เลวนะเสียหายนะลูกหลานนะใครใครๆไม่อยากใครๆก็ใยรก็ไม่อยากจะมาคบอค่าสมาคมถ้าว่าพวกเราเป็นคนดีเสียวเนี่อยอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขดีใครใครใจะมาเป็นญาติเป็นมิตรอยากจะมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนมาอยากจะมายกยอให้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนไม่ดีเสอย่างทีนะใครๆก็ไม่อยากจะมาใกล้นะลูกหลานนะเพราะนั้นให้ดูดูตัวเองสรุปแล้วเคยดูตัวเองทําตัวทําตัวของเราเป็นคนดีในเมื่อเป็นคนดีแล้วนะเราอยู่นักสถานที่ใดมีหมู่พวกเพื่อนพเพื่อนฝูงของเราก็มากมายแต่พร้อมกันก็อย่าลืมอย่าลืมศีลธรรม คำว่าอย่าลืมจริธรรมความนี้คืออะไรให้ลึกเราระลึกถึงพระพุทธศาสนาพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้เรื่องจิตวิญญาณนั่นน่ะท่านได้ตัดสู้ตัดสู้อะไรในวันเดือนหกเพนท่านว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เป็นอว่าหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกแน่นอนตายแล้วเพราะนั้นเราต้องศึกษาจุดนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่นึกคเนเดาเอาประมาณการเอาไม่ใช่ไม่ได้เราศึกษาแล้วลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิพอนั่งสมมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์เราจะรู้ได้ยังไงเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถ ให้พวกเราแยกออกเลยนะเนี่เรื่องวิญญาณเรื่องมนโนคือใจแต่พระพุทธศาสนาพระธระธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์คนขับรถมากกว่ารถไอ้จังหวมโนปุพังขมาธรรมะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นนี่แหละให้ลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะหลวงพ่อพูดไปไหนมันก็ไม่ไปที่ไหนมันมีแต่กายกับใจเท่านั้นเป็นหลักของคนเราถ้ า, าใจของเราชั่วเสียอย่างเดียวเนทะ่านั้น พากายไปทำความชั่วด้วยเพราะใจมันคิดชั่วการพูดมันก็ชั่วไปด้วยการกระทํามันก็ชั่วไปด้วยเพราะใจมันชั่วเพราะนั้นท่า น, า น, านจึงให้เรียนเรียนเรื่องของใจเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดให้เรียนเรื่องของใจถ้ารู้เรื่องของใจแล้วถ้าใจเป็นคนดี รับแต่เรื่องที่ดีเข้ามาและศึกษาแต่เรื่องที่ดีสิ่งที่เรื่องเรื่องที่เลวๆสกัดออกไม่เอาเรื่องมันเลวเอาแต่เรื่องดีเข้ามาสู่จิตใจในเมื่อใจของเราดีการกระทําออกไปก็ดีการพูดออกไปมันก็ดีเพราะแะไรเพราะใจของเราดีใจของเรามีเหตุมีผลใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมใจของเรามีคุณภาพใจของเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ดีนะลูกหลานนะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เ, าเกี่ยวกับจริยธรรมให้กับพวกลูกหลานได้ฟังตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอ